ว่เสื้ผ้าว่าเบิ้องางน้ำได้เนี่ยพักันเบาดูเบาด้านเมือดีวบอกพากกันพร้อมกันวอร์ดาดบนทางอ่ะฮึพี่ยาบ้านมันเออยีบ้านมัให้ได้ไปสะดวกอันเดียวพระเหตุเพราะไหวกำลังมันมูอเ่ายังวิตอยู่คู่กันว่าจังหวัดจังว่าน่ที่รักฐานพักงานดุพะเห็ดเพราะไหวไอ้ตูกหลานเขา เนือมาข้างวัดข้างหอปัดเียมันควรพิเไหวเี่ยมันจปนดีมีประโยชน์บอเจาผู้แก้ดูลร้านวัต่างวัดถึงเป็นยังเกือบรถสุขอนคนตัวชุดเ ท, ท่านี่พรากั น, มนเมฮิตกับพระกันเฮต์เม่ไหวมันเป็นอนุสนรณ์เ่ไหววัดมันจะดีวัดนี่เหีมันจะดีจะคนทางเนี่นยเป็น น, นทางห่อเม่ไว หมูห้ามันวัวเป็นยังดอกตอไปตอมาหมดฮะหดดุกหมดดานแต่ล้ายห้ยคล้าหน้าหายคนนั่นคนนี้กันเด้แต่เมื่อถามมันก็ไปเรื่อยไปนักเร็ดไหวแต่มันข้าบายอืมเแต่มันข้ง่ายสบายแคร์ูกแครดานแคบนาวเนื่อดินเนื้อหยาพอเสียงเหตททางนี่ยแต่พักกันคิดให้มันดีๆงามๆ อหตุหนนทางมันได้บทุกคนไม่ตจองค้องมือแได้เพราะว่ามันจะค้องมือได้บทได้ให้มันสะดวกไปนนั่นมันดีสั่งหนนทางสั่งมอน้าพอมีให้เ้าคนว่าเน่มันเหบุญหลายค้ดไปไกลไกลหนนทางกันยึดไปเรลยกกระดุแล้วมี่ประโยชน์ ไปหอดคนวุฒิดูหลานมันวุฒิวัดเทียงกันมันว่นเหยียดวุิขึกันปัญหาอันนี้มันหายเลยเป็นแต่นนทนทางเที่ยวไปเที่ย้มามันก็สะดวกวัดบ้านวัดเมืองบอหนามกับพีกันขันคุดก็ไรเดียวผู้ไดคุดคือมันกินน้ำยางเลยนิมางต้องจากกินต้องอาบน้องโสงมันก็เรื่องกะไรเพรามันไม่ในบุญเก็นไผ่กลางกินโดด พอได้เห็นในห้าก็ได้กินในอาบได้ใส่เคล่อนไปบ้นานห้าเห้าไปบ้านเพลนอันนี้สมวัตมสมวัตของโลกจางโลกแต่มันสะดวกเห่าไปอยู่ในโลกโลกดานไปอยู่ในโลก ม, มั น, ก, น, มนงงก็สะดวกพูดตามธรรมะข้าสอนของเพนตายไปเดียวกิมาเกิดดีเกิดเ่อมาเกิดินน้มนีทนะืม่ฮะจัดวนทางเวทาเดี๋ยวมันเกิดง่ไงโส่ เป็นมดช่างหมดไฟได้เกิดความช่างหมดไฟท่านรถดไฟได อ, ดอีกมากเลยจึงเกิดจนมันาาไฟเสตัวไว้โดยใส่โดดไดยนั่งโดดที่สั น, นสำคัญโดยนในโดดเพราะสังเกตของกวงนี่เงาพว้พอพุทธเจ้าเข้านั้นนี่เป็นเรื่องเมตตาเรื่องกรลยาณ์เรือเ่องงูทิฏา ทำจูนโลกทั้งหลายนะ mm. มีตาคือค้องหักกัน mm. กระโดนหน้ากระเดิดว่าขสงสารกันมูทิตาก็ะเดิกว่าควางา mm. าองข้อยยินดีอ mm. ผู้ที่ทำหนีทําน้าพขอยินดีตามอื mm. ตามเรื่องไขมันเยี่ย mm. นีบานเมื่อเข้าก็ต้องจองการต้ mm. องการค่วมสงมบคว่วมสงบ ต้องการควมสบายต้องการควมเบียบดลอยต้องการใของนี่ระเบียบต้องการควบควมสงบสมาวนี่จะยิ่งเข้าโลกมันเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นสูงขึ้นไปมันว่สูงขึ้นไปค ว, วมโง่ควบโง่ก็สูงขึ้นไปน้ำ มันวูดสูงขึ้นแต่ควงจะเริ่มข่วงเสื่อมมันกลัสูงขึ้นน้ำดูเนี้แต่ก่อนไปใช้มาใช้กระดยิยางเราเนี่จะเดิ่มวาดีมันจะเริ่มขึ้นไปใช้กีรถทีเรื่อมันจะเริ่มขึ้นค่วงหาเงินทีไปอยู่คือแต่ก่อนเมื่อไรเดี๋ยนี่ต้องหาไอ้เก่งกว่าเก่าดีกว่าเก่ามีปยยัญญากว่าเก่าให้พาโดดเขานี่ เดีว่อนมึงขาดุาดใส่ยังลงดุยลงดุยเลยโดนทันยังงีว่าไปมันเพิ่มขึ้นยังไงควบจะเริญขึ้นควมเสืีอมน้าควมไหลมากควบมื่อยไปเป็นปัญหาในชีวิตของโมง่เฮาทั้งหลายอืเป็นปัญหาในชีวิตของฝวกเฮาทั้งหลายอยังงี้แกบนหันบนหัคิดไปสักักเดเจ้ากันมันกัน คือผูพอเดียวเมียเดียวกันที่นี่ฝ่ายการปฏิบัติการพกข้องงานคิตใจของมนุษย์เท่าทั้งหลายประงมาการปัฒนานาสฝ่านเท้าดูซึกขยากขึ้นก็เกาเจกรเกาเท้านะเห็นหน้ามาสะเดาเพราะไหวแต่จะคว้ากันกินแต่ว่ามีอยังผู้ก็วัวชักงนั้นหนสองนั้นหัได้ตามไปแกวหัน อ่ตัวสะตูนีสั้นทั้งห่ดจะนี้แสดงว่าสิจกานได้พักเซเนะ ย, ยังเป็นเพราะานสอดผลกับโบเห็นดอกเศรษฐกิจวันใน ไ, ไงแถวหน้าใสาหางโกยังหยงงาดไว้ทั้งขึ้นซ้ายนี่ฟ้าเขาพักเซเนะไปไซโฟนแน่ผลถุงวานหรอกกระดาษพักเซเนะกัไปห้ขขาขอเขาปลูกเอาไปได้กรไดัตัวพักอีตัวนี่โอ้ชื่อไข่มุนของยี่เขาหน้าฟ้ามันกระตปุ่นโบผหายรีดมัน มันมันอยากมันบ่มีก็เดียวเฉพาะคิดใจบริพัตหน้าึ้นสมัยหนึ่งมันอยู่จะไหนก็สบายแง่มรื่นมาหาห้อยกันแง่ใบบริษัทมะคงจำข่วยถึงมีมาชิอกันจินแไก่สุขามว่าใเอาเสียมไปห้าคุดเจ็ดยี่หมู่เมื่อพ้นเท่าเขาเะเงื้ยบ่มีก็อยู่ไรแต่สุขสินุอย่างอ่ะมัน่มจะเริ่องคน แต่สมัยนี้เสียในแสนโได้สมัยนี้สมัยนี้เฮ้าวามีในหัวคือตกรอนตะก่อนเพาท่านสีเสียแจสุดตับตุบ๊ับต้ห้องหลูกเพร้านีเเฮาทั้งนั้นสมัยนั้นมันเป็นสมัยมีความกล่าวหนาบ่าจะเดินปู่เพื่อนไม้ไซนาาเต็มมีอิตาแมนข้ามท้องมันจะปุ่ดไซคุปยังไงเกี่ยวมากหาดข้างมาแล้ว ให้แหน่ให้สอนให้ยั้นยงนะบุรุษตรงนั้งมามาเจ้ายห้คุณบัวด้ ว, ดวโอ้ยมาเจ้สระ ว, ว่านคุณบัวมายั้งมาขับมาคู่ไห้หรอกคุณบัวเอาอยั้งมาได้หรอเอาความีความีควอมดาเอาเงินเอาท้องมาหานี่จ้ะเหนื่อยเอามาบอบ อ, อยั้งก็บอว่านี่ คนมื่สมัยนั่นสมั ย, ม, ยมานหื่นนับเป็นขนหื่นแล้วเดียงดาวเดียงยาเปนเดียกับ้าขนเมือ่อาดเชือเอาขึ้นเชือเมือขึ้นหื่นใหม่ขึน่าคือจักเถือโบฟัดจัเสือนูนทางมันเป็นวัดเป็นเนียนเป็นเหือดกินกันะมานึ่นมาหนืดเชืกอกจอจฉาหมันทำท่อมาบบเอาเหงือดมา กัดวมันสั่นปีนึงกับวไดีวได้เคาะจะเขื่ข อ, กกอ ม, มาที่กระตือกินหมดแต่มานอนนอนก็คือลุกไปโดยวได้ปัดวได้ขวดเหนือนูทางกินว่าสั่นอิตาแมนข้าท่องนะวได้วาเด่นซือได้หันนั่นเนี่ยสมัยนั้นมันเป็นยงางไเาดี๋ยวข้นวอดีขืนงมา เทาดีแล้จะเอาซุกมะไห่เอาเงื่อนเอาท่องมะไห่นี่วะดาวดีสุดเลยสม e ัยนั้นคนวันมีบัญญาหรือจะดิบกูหรือบนไหที่เป็นบ้านห่างนี่ถาดนี่เจดีนี่บวกนี่บึงห่างเงี้ห่างไปโดนอะไรเราเกิดก๊กสินเกิดก๊กสโน่เกิดก๊กใหม่แค่นี้ไงเห็นไหม มีแขมีเจ้ามีปูมีปลาเตมย่านแถวเกิดเม่อรเท็ดยำแม่ไปไก่กับขนหลูกมะพ้องแม่ว่ากันห้วยเท็ดจะได้น้องเนี่ยนะหนูแ่มีขันยาเสียคนกับบุญญาเอาดอกไม้คูนึงเที่ยนนึงนเดไปขอคนอนูเจ้าน พูดเป็นนี่ขึ้นมาเดี๋ยวร้จางมาเพื่อว่รสันนะโมริษัทโริวานเพื่อนรสันนะเขาถือกันกันเอดอกไม้ซิวซาเนีขอเบิ้งดูเบิ้งด้านเบิงนัวเบิงคั้วนี่อนเจ้าชิ้นเจ้าตาในดูร้านในเบิ้งพอวะเป็นนางออกหนแอร์บดี้เจ้าเชิญแค่ใจสีขาดต้องก็ฟูกขึ้นมาถึงตัว เตาใจสิขาดมันพูกันเพื่อนตีไม่เน่ากับจะ่พูดเแม้พวกีจะเกืนอ้ยที่นั่นเป็นเค็จเปานยำก็่บอกใร่บอกฟังบอกแค่ฟูขึ้นมากระดรบอกเตาฟูดขึ้นมากระไู่นพวกไปคิดว่ามาอ่านเข่ใจสิขาดเตาใจสิขาดมันพูดขึ้นมาอาบูชาแนั่งยู่นม้วนนี้นี่ที่ไหแต่ไม่เน่าก็บทีูงานคนไนว้หาใจนนี่เป็นคนบริโภคบริโภคที่ยิน่าง อย่างว่าน้องเน่ยมันเส็ดน้องนี่ยมันย่อน า, า, ยา อ, อันสักแา้ัย่างก็ดไมสักคิดเชงันทังๆๆสิเนี่ยมันมันยึดบงังเลสมัยนั่นคนเขาบอดดิคิดบอดดขี่จะได้หน้าอาเหตุผลว่าคือสมัยนี้่ไหไอแต่ยางไปสะเนี่ยมันกระต่า ง, างามันมันเป็นไมาเชงสันไปเมืองวัดดินก็รองมุนที่กาเจ็ไปหอดอมือนึงจะให้เป็นได้ป การรถไฟรม้าเนงอนขึ้นสามรถชักเป็นเงนก้อนไปทั้งทีนั่นคนะ่อความเกานาเรื่องที่ข้ามองหาบทเห็ น, นมันเป็นเองมันวันสถานการ์มันเป็นอัจาโนมาดมันดีเขาเองมันหมกทัวกันในกินหมกทัวปีหมกโมอหมกแดงกินหมกงมอหมกแดงปี แต่กระหอด เ, อ เ, เดือนเก้เหยียหายพูนเหยดยหายเข่าเหยียดหาอันนั้นเนี่ยจ่างบริจิณหลวงโอเจงบ ร, ริจิณมัดโขกับบริกินเนี่ยนี่ยนกินสูงยากมาเลยมันยังล่ายมันเหตุเนี่ก็เรื่องค่วงขาดแท่นทั้งหลายคนขึ้นมาหลายมันทิ่งกันท่ากันในเกิดนี่ปัญญ า, าเป็ น, น, น, นคนโมมีปัญญานี่ยเห็นอยู่กับบุหง บอกูแจกว่ามันจุกมันถุกหูแจกว่าเขาจุกเขาถุกเขาป่อใจบอก่อใจยังไงหูแจกโยกตัวยางเจ่าก่อนจะมาเครอยู่บานการคืดบ่ได้หรอกเขาบก็มาคืดได้บางนีมองมาดังนับตายมันจะเห็นผงเห็นมือตาอย่ามันเห็นคนนกข่ามาเลี้ยงนกเขามาเลี้ยงนกขมมาเลี้ยงมันสับดีพอเข็คือจะของจเห็นดีแค่มันจับที่ยงบอกก ซับอย่เง็นนั่คือขังมันสไลปีมันซับเรามันอยู่ในห่านอนเบื้องการซับจ้ะแมันซับเพื่ออย่างห้าวตัวบได้คึ้กระขาจะเสีอว่ามันเป็นอย่างไรนะนักเรียนนกขุนนักข่ามันทูกพ่อตายลยแต่แม่น่าคือเดือนหนึ่กันผู้มีปัญญาโอ้ยมันอยากออกมันมันซับมาได้ปีได้เดือนนะมันก็โบได้ออกปีนนี้มันก็ยังโบเก็ตโบรักมันก็ยังบขี่ขานเนาะนี่ยมันถูกมันมันซับพวกเจ้าคนเน่าแต่เอ้ยขึ้นไปทั้งไม่ หน้นามาเินกูจะเอามงไปตอจะเอามึงไปตอโว้ยไปไม่ได้เคยบ้านกตัวนี้โ้ยบาปเาขอมาขังเขาไปหนิอือกูเนี่ยไปเมนชัว่วไหากินมาุูมปากขูมคอต้อตงเอาเขามาคอยหานก้านหนูหาหนังหาหนี่มาให้กินมันจิซับบริวช่วยมือก็คือบกเติเดี๋ยวคนมีปัญญาพอ่ได้ปล่อย้ว มาที่ปล่อยบัดพูนบัดเท่านันตายคนอาจารว่าเคยไปเห็นอยู่ที่นี่หน่อยเอาไปปล่อยกนนกเล่านาเนื้อแล้วอาจารย์เห็นว่านกขุมนกท่าแล้วนั้นเองเอาไปน้ำกันนะันะคุณจนเสียคอหล่อผุปาดีนกท่าจังเลยไปปล่อยนกขุมจังเลยออกจากซุ่มนกเขาจังเลยออกจากซุ่มคันเท่านันวัวตายหม ด, ดเสียนํากันคอหล่อเลยเม่อไหริเม่อไิถูกกระหาบวาเห็น นี่เหนอยู่บะฮูเห็นอยู่หมูสาวโอ้ใ่ปเขาคาือเดี๋วคือเห็นแต่ว่าทั้งที่กข์าะนังให้กินเนื้อเขาให้กินนื้อไผสีให้ขังเย่อเสียงเขาให้น่กินเขาบแจ้งตัวให้เดีอบลอยเขาไปจะให้กินเนีั้งใบไผทั้งใงนงนนนยนยี่ทั้งไเปเคือนกขมนกานี่มันดีบกมึงเาเงินีสี่งกินไม่หลเลยเดี๋ย นี่แหละคือคนบมคืดกันพวกคือดี๋วพอมองเห็นคูบโอ้ยสงสารเนาะมึงแต่คือครูครูกับสามึงแต่ทีกูยางวัดหมื่นวัดเต็มปานนี่มันยังโมสรยังบุนยังไหวอยู่กันไปค้างแขกขึ้นโนกเม่นกูตายบ่คือเดีกันคือยิ่มันก็ปล่อยนงกวัดตัวนึ่งตัวนั่งแส่รืมหัวหน้าไม่กินซ้ํเรื่มหัเขาไม่กินซ้ำชั่วคอยนกูกินมอว่ดเหเอาน้ามอสกูหงเกือบตายขอกินกับว่าเป็นเม่นสิตใจเรือติดเหวยงไ นั่นเอกว่าคนตาบอดบอดตัวเห็นอยู่มันหูจักนี้บอดข้นเพรามันเจนเสียงโมูหจักไปจ้งมามีกับที่กันอมโหจักว่านันผู้หนันผู้บ้านนันผู้หนันผู้นั่นจ้งบอกว่าเพียว่านองตัวกันข้อนั้มจริงมันเดียวกันคือกันหมดทุกคนผู้หน่อยคุณไงถ้าหม่ามันเจียจานไปหอดผู้เถาผู้แก่ผู้หน่อยผู้นุ่มผู้ทุกผู้จน มันเป็นใบบดสมัยมีกำลังแค่เท่านั้นกำลังต่อการควมสงบต่อการควมระงับขันมันมมีปัญญาหลายเห็นเกยตัวร้ายใส่บ้านเมืองกัแเฮงหลอนเขาเห็นใส่กหอนนห็นใสกระหอดเนีุ้่นไหวเขาใสกระหอเท่อกตัวกระหอดเ่อกตัวเดวบเห็นคนนั้นโบเห็นคนนี้แจ้งแจังมงคงจ่าแจ้งแจ้ โมนี้ม่ใช่เรื่องการศึกษาแต่เน้าหองจักโหลดโหล ด, ด, ดขันไปเบิงจีไปนั่งไปวางนั่งนกขุมนกข้าตับสุม่มว่านพ่อข้าเราลูกไฟก็ดอกงูห่อนหุ่นาไปเน้นเน้าไปขังอยง น, นี้มีนกข้ า, าตัวนี่เป็นสิ่งี่มันโอดเห็นว่าคนว่าคนโอดเห็น้ันโอเห็นโนม น, โนม่ น, น, น่ารกกับโเห็นสวรรค์กับโดเห็น ตกน่าลบกับบุญจะไวาจะค้องตกน่าหลบไปสวรรค์กับบุญจะค้องไปสายน้เห็นอืณบาปมันเป็นบาปอยู่กับบุเห็นกันได้ว่ามันบาปว่ามีบุญว่ามีเมื่ที่นั่นจำเห็นนกข่ามันซับตาตุ่มเนี่ยทุกฝันนั่นกับบเห็นถุกเนาะมันบมีตัวมันมีตัวนันหนีคือกันมันหนามันคิดมันบังเท่านี่จะต้องพักการศึกษามันสอดค้องต่อกันทั้งวัดทั้งว่าทั้งบ้านทั้งเมืองมันจะดี เมื่อเที่ยวกเกล้าพัฒนฟังเดี๋ยวให้ปฏิบัติให้เบิ้งเอาไปที่เจริาให้มันเห็นนกขุมนกท่าให้มันเห็นศาสตร์ว่าจริงให้มันเห็นปีเห็นหนองเห็นดุกเห็นล้านให้มันเห็นสินเห็นถ้ำให้มันเห็นความจริงเข้มในสัยจอบการยังเห็นให้มันสะดวกการจัดจำนวนคนทางกันเมื่อนี้ กระบายบันมั้นก้นอนก้อน อ, อกแต่ก่อนคยเป็นนียน่ยเป็นพระโยหันยหัน <c oughs> ค่ยเดีวปลูกกุนลมา่ลากใหม่เพราะอะไรยหัน้ายถ้าเะวเดี๋หน่อยก็ไปอยหันถ้าเยอยู่เก่าขวบเียว่ า, บ, าบ้านนั่นวัดนั่นเรใช้เงยโหันอนี่ปขึ้นเขาว้านี่ร้ายขโมยหนีไปว่าเนี่มาอยู่ <c oughs> ไปสั่งเศิดสั้างถ้ำก็ไปดี่แท้ๆเหมือนกอน่ะทางว่าไรยังง่าจังเนวผู้เถิดก็เถิดรถจะไมจะเทศดแต่เมาะว่าเถิดบุญนศรีไสปัญญาปรมีหายไม่สั่งหอยมาหอยก็พักกันมาว่าจะไปสั้งเถิดเป็นสันปัญญาปรมีปัญญาอุปปรมีปัญญาพรมัตถะปรมีที่ระปรมีที่รอุปปรมีที่ระปรมัตถะปรมีเถิดังกัน ตั้งเทเปเพิ็นสั่งหนังสือเขียนแต่จะสังหอมขาเพิ่นเทไรจุบุญเสีอ่านหนังสือว่ามันสั่งคำพี่ว่ามันได้บุญตูญ้งูเพร่ขั้งเวิร์ดวัเอี่ยขันค้นโมโหเรื่องแต่ว่าได้ฟังคำมาบรรอาต า, านี้ไปแล้วกัน พระ ก, กนมนต์พระมามาอยู่เ <c oughs> น, น, นี่ยพอเนตาบนนี้ว่าจะมาจะนรัดเอาเร่องเงยผ่านมาอยู่นนยรถวะร่ำซ้ำา่อยตวเหมือนอยู่ก็ดีพระมาอยู่ไนส้ายหัเล่าเอ า, อากออกเองขอเกี่วสีมะไก่นนียอยู่นำอำมีสิวาเกี่ยวของน้องคอย่อยสังขายเอาเอาง่อยอยู่วัดเจ้าอยู่บัดเด็ก่อาเกี่ยวของน้องคอยเห็นยัง อืมตั้งสีเป็นต้นรถว่หูเรื่องกันเุมือนนี่น่ะเที่ยวนี้วาดโดนห้างเปเบิงไม่ออกพอออกเจ๊ ก, ก้าวเดือนห้างน้ำน้ำน้ากุฏิน่ะกุฏิมันเถาเห็นม้ยไฟสัาชาชา่นฟ้ามันกระเ้แ้วกระสีมันกระพังเจ้ากับพวกกินในยังงาอยู่นั หมดในวันนั่นแหละมขี่มันเถ่าเจ้ามันก็เถ่าแส่นมันก็เถ่าแกงง่มมันก็เถ่าว่าเป็นกระบวนการอืมกานไปบึงไปพุทธิวิหารกับไปว่าพุทธิวิหารมันเถ่ามันแค่เบิ้งเจ้าของเบื้องเนี่ยในวันผมหงอกข้าวจานพานคต่ก็เพราะจงีเพเป็นสายในพุทธิลืมนรื่องมุขี่เห็นเนี่ยเห็น่ย่านี้กมันเถ่าเสวัตร มัว่ากันไดอย่งนีบ้านเอาไฟมายูกับุ่ขำมกุ say, ้นไฟสุดเด็กนังมาหาตัวสบายเดินมันจะมีวัดบ้านไปเก่าน่ะันาคันเหนั่นกับเหตน้มีรอกมันผู้เต่าผู้เก๋มาฟั้งถ้ำมมาเห็ุใหม่ตังเกษตรกรยางีมันิยังอกกัซบ้างตัวนั้น็นก้ยเป็นมันยังอยู่ที่เก่าอยู่นี่ เศรษฐีคือเก่านี่ยโมดิล่าโได้ทอนโมดไมั้นพี่เนพินใจไปจนเถ่าจนแช่เ่พัฒ้าใจพันาข้อมอมองว่าโหดแค่ไหยังเดิร์นซึ่งตวเขาเป็นเดือดปายเนี่นี่เก่าเรียกเงี้มันทามันแจกกันไปขายเอาหนูซื้ออยู่ันอ่านหรอฟังปายอย่างไรเนี่ย่าะไหยังง วัได้ขึ้ว่าไม่เห็นเงินเี่ยมันคือหือบ่าถือเนาคือกันก็ว่าแฉมันพู่ขึ้นมาเนี่ยจะาพูดก็ให้พู่ขึ้นมาให้เวิร์เงินเนี่ยวัวมีไฟจิขึ้นบาหวันมันใจสิขาดมันก็พูดแล้วห่งบุ้งอะไรจะคืออะไรก็ดีวัวมีไฟขึดน่าจะปูดจะาพูดสักทีสักนี่ชาวบ้านฟังเสียแต่บุนก็ฟังยังเสียนว่าหัวเรื่องหัวหน้าบกงการละการเดียนเนี่ยมันก็ว่าเกิดประโยชน์เป็นคิดมีการ อยู่ไปจซื้อบ้า น, นงยั่งเาบมันเป็นกา ร, รเรื่องเท้าวเลยพัฒนาเจ้าของขคนเท้าคือกันขันเป็นคน้นหมดเไปเที่ยวจังหวัดนั่นบไปเ ท, ที่ยวเมืงองเมือนหันเมืองโอ้ยโฉลดาดโว้ดไอี่ด้หน้าเห็นอืมกระคือกันก็ข้นบดเพัฒนาเนีัน่งซื้อๆอยู่อก็ซ้อนน้หานน้มองอืมลุกจะให้ใจหน้าลุกจะฟันมาบาม้านขี่ขันหนนอนอยู่เงนี่นเด้อ ว, ว่า้าม้าจะคน เหนือนอนมันยังหันกเนี่ยโบตื่นแจกระนบาท่านเขาจเจือนแต่โบได้คิดโบได้อ่านบเนี่ยที่จะน่าบื่อาจนั่นการพัฒนาโบทันต้องหูุจักการหูุจักเลิลลาหูุจักกาละเทศะพระโพธิเจ้าคนสอนฝึกการรืมหูรืมตาเทาเฮ็ดอยู่เดียวนี้มันเงนว่านมันสืว่านอนเฮ็ดไหนที่เฮเท่าเกิดมาเนี่มันจะสืสมบูรณ์ นั่คนก็อ้ันยึดเงินเพาว่าม่วนมันบมไดมากมึดแ้วเงินเนาะยึดเพื่อนยังควปที่กินการงานเพื่อนแต่กินเงนมันบมอึดทางบัากันเหสิ่งกตเงินเนเงินยนว่าวามันบมไดเหไดที่จะได้หน้าวัดูอื่นเพราะว่าหวัดแจวเขามาหนึ่งบินพอได้างวดหัววน่นฟาดเว่าสั่ น่นเดยว อ, อันจะมากเคยเป็นเด็กหน่อยไปวันุดเพ็งด็ก่อ น, นี่เกิดนนึงมันปูพักหน่นนหอแม่แน่มาเที่ยวปันเขาหรอ้อดี่ยไปติดแหนไปหาป่ากินไม้แย่งเแลงกายจะมาจามากคเป็นเด็กหน่อยเนาะไปนักชนเงยเงยมาลพักเกเ็เบแต่วา <laughs> ไปสะถ่วงมากสะท่วงน้นเลยไปรักของเจ็กดี เมื่อวานเรามเห็นกุศิบุญกันนะโ้ยเห็นเดือดเดมือวันรกของเกดนี่มันขึ้นไปจังไงเนียก็ขึ้นวาเท็บผูกเมื่อกาเทีบมื่อกันใหญเมกจังผูกกับบุขดวันตดันโดนโดโดโดมือดาเกาจังสีนาเทียบูกกุศกน้าว้ยบุขืดวันได้ยินไหว่าที่เดือดเดือดเักของเกดอเบหมือนไปนักสงกันใหญที่น มันวนาน้จอว่ามันเหมือนค็เชงค้อมันูินสี่มาดีควาแั่ภาษาเก็ขวาภาษิตเต่านี่ชาวบงานักไปเถิดอืมเขาโบสูกเข้าแหนบพระเจ้าเรื่อนนั่นเขาคิดต่อแต่การเหตุการการทำของมันคิดต่อกันมันกันไดนผ่านเท่านหน่อยมือเร่งก็ไปปลูกมือเศร้าไปเบ่งมันเก็บไปกินข้วปุนมงโอ้มันดือยแตไม่บอกให้ด็ป่งจ้าใบมัน เจ็ดอดจอดนี่เป็นอีกออกจมป่าปาดมากันเนี่ยปล่อยมันนึ่งมันเหนื่มากน่ยพักบัวว่วอดนเกิดเอาไปกินนวดแล้วก็ไปปลูกเนี่ยนกไม้เนี่ยมันปัญญ้าต้นกันไปดักของเจ็บปัญหามะฮอดตลาดเมืองวะริ่นหันเป็นมาหันเน่ยวป่าตัวใหญ่เจ็ดเอาไปกินนวดแล้วเจ็ดไปเขากี่ก่างเฉพาะเจินป่าจะเนี่ยนมื่อคนเหยื่อไปเนี่ยกินเป็นที่สันวอดิ่งวอดิใจ มันโบมีสัญญาจังสนอันนี้คือการมั่นบริปััญาทั้งสกองชเมื่อนี้บเหตุเห็นยังสั่นบหลายสิ่งเพราการดื้หูดื้อจ่าื้เลกดืกอเก่าจังท่านการท่านสมัมอืนี่เรื่องอันนี้อันหนึ่มว่าสภาพการหยีดเยียนเจ้าของัวเศร้าจะหยีดเยียน้นหยีดเยียนตัวอื่นใ่หมจิงนี้รักกุศลศาสนาจึงมีว่าทรมา ธรรมะในาใช mm. ้ปฏิบัติแดียวก็ีได้มีกันมทิตกันคนเันเหตุน้เพึนโมหลักกันมวิชากันโมพาบาทกันบ้านนั้นเฮือนนั่นธนูยักษ์ธรรมะรักพัฒนาใจเดี๋ยวก็ปล่อยเดี๋ยว่าได้ค่าเดี๋ีกันบ่หมี่หรอกเป็นคนเศร้าเป็นคนย่อมเป็นคนหัวจักการปฏิบัติอือนั่นคือคนมีบุญหูจักบุญหัวจักกุศลอือมีสมกับเป็นพุทธบริษัทของพระโพธจัก พระพุทเจ้าจ้องการอย่างต่าการมีสาศาสนานจ้องการความสงบสสสอย่าอต่างเยว่าถ้ามันี่ิมีคุณคาหลายที่เท่าถ้ำนึ่งจดีบ่เ น, นี่ยบ่ดมหมาที่มีพวกนี้บิ น, นเป็นห้นข้างไก่ห้นข้างเนี่ยครับประกันจังใจไหวเหมือน อันตราม ja. ห bouncy, หันมี um. ่วิราช์โบราณประเด็นหนึ่งถิมมาเบิงเมื่อนั่นมันหน่ยซอยกันเบิงซอยกันแน่ไปพวกมันจะไปขุดสมุเจพาเลยยังไงะมุ่งอยเรียบไปฮันเรียบไปนี่งแต่คือเทียบให้ฟังเหี้ว่ามันสิบปิบัดไห้บอกสื่อหรือยูจริงๆแอ่ประกันต่างโลกสนใจเพไหวมันมีประการนึงหรอกถิ่มมาเบิอนึกกันถั่มมาอยากอบรมติดต่อประเด็นสักหน่อยหนึ่ง อันจามาเนี่ยเคยสั่งบัดปามาและรูจักการเคื่อนโตมของบัตรลูจักการเคื่อมโตงของพุทธบริษัททั้งพอออ ก, ออก <c oughs> ไม่ออกอนี่ยเรียกว่าก็จักพอสมควรระบอบอกกี่ฟ้ากันกี่ดินไปพระพุทธองค์เป็นสอนมาจ่าเหลียงง่ว ขันเอ้าง้วข่ามฝากแม่น้ากายหนูจะทามันทามันติดขวางง่ายมันสิดขวางไปได้ไร้ง้อไร้่ล้วยไรย้โคลูกันมันสิดร้อยขามฝากสบายถ้าหากว่าผมมีปัญญาวันไหนจะได้ข า, าม่นองรวดมันจะตกสะค้องตายบนเดาม้นน้ำสะได้พัดต้พูนทางใจผมมันเป็นอันตรายบวกมุเฮ้าคือกัน ถ้ากันนําเจ้าของนั่มบริษัทนั่มบริว่านัําพอออกไม่ออกนั่มขอบนั่มขั้วพอบ้านเนเงื่อนขันโมฉนาดในการบ้านการเงื่อนกันนั่มดูนั่มดานไปสู่ข้อมอับยนไปสู่ควอมทุกข์ยากนั่มบากไปสู่ข้อมเหลือจอนบ่วงหัจักสอนดูบ่วงหจักสอนดานจะหิเป็นตัวขันมันเจ้าของง่วงก็เดียก ว, ว่าบ่วงหัวจักทาทาบนในสืสมควรในง่วงในค้อยขวม ไปถูกเอาชาหนำเลือดแต่ว่ากระดิ่ ง, ง ส, สั้นๆง้อกนนับโต๊ะกระดิ่งตายถ้าเป็นพุทธบริษัทก็คือกันนับถึงเจว่าเป็นผู้นาเป็นผู้นำครอบครัวหรือเป็นผู้นาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกัม น, นันเป็นนายอำเภอเป็นจังหวัดตลอดเป็นมณฑ น, นถ้าหากว่าผู้นำบ่ ม, มีขวอมเสียบ่อมีข้อมูลหาด ประเทศนั่นอำเภอนั่นตำบล น, นั่นกะจะเดินเนี่ยลำบากอันนี้เกี่ยวครับผู้นำแลีวะเที่ยวครับผู้ประพฤติปฏิบัติตามมี่ก็เที่ยวคนนี้เป็นคนนี้คอยขึ้นระบันบุงวายบ้านหนึ่งหรือบ้านหนึ่งกะต้องต้องจัง ต, งตรงนี้บานคุณ บ, บ้านนึงวาย แต่ตวนน่ายก่อนายขอน่นว่าังเป็นโยาบานแ่งมเินนี่ก็นทางนี้เป็นยาบานคุดยอะังบ้านงบึงส้าคิดที่จะสงบกเดินี่ยีเพราะว่าเห็นผู้าว์บ้านผเดียวเป็นโยาบานบ้ามัไหวด้วยบานตัวบาน้าหาว่าห้าเห็นเ้องเป็นโู้เยาบาน้องกันตองอยู่บ้านไงเป็นผู้ใหญ่บ้าน กำลังพกข่องในบ้านกำลังดูเรื่องในบ้านดูเต่าเล่าล้านยืนหาจังใจไป็นคนบ้านบด็ดคือคนไว้แล้วเป็นเจ้าของบ้านมันจะเร็วอย่างไรหนี่งงาจางคนจางความเพียงการงานทุกทีทุกอย่างหลักคือจันทร์ไม่บ้านก็ง่ายมันเป็นอาชีพของคนที่เป็นคนคอยจังค้จอยกันที่จะนเหตุีมีหลายลาวของถือมในหลายคด คูมิภาคนั่นแหละบางอย่าเที่อาจหน้าใช้ซื้อพระซื้อนิ่บัตน้องกระพมแล้วกินแบบตบเอาบาดโดดเอากระโถไปเลยด้ยไปซื้อไปด่างกันมีคนมาส้อยจับของส่อยจับของมันก็แล้วยังไงการงานที่ท่างจะสามชั่วโมงวนไม่ทั้งสามชิ้นาที่เขีนอ่ือนี่แหละที่ยึดได้ว่าเป็นหบอกว่าการงานไม่เป็นดาวูด ทา่านะมันก็ซอยก้างในตรงนมีสุดปรัดบาดเฉยปท่านนั้นลุกเข่าข้ามตรงที่อยู่กับวันไหนมันเสียอันอันนี้คิดแต่เน่าเป็นลูกทิพระนักปฏิบัติเวทในวัดนีมันไปเสมอมันจะเรื่ที่พการไงสในวัดนีเสมอจะเร่งมันต้องเวทให้มันถูกต้อง เนี่ยคมันคิดเนี่มันถุกสงมันก็ถูกข์สง่องอันนี้คือมันคิดนันก็บบถูกข์สงังมันก็หจะจดเรื่องอมันยูดมีคิดมีฝึกนบกวนบ้า น, นั่งนี้มันงิดหกกะพริจะท้องบ้านบกวนบเย็ดยังโชกระปกบ้า น, านาขนาานานน้างบกเย็ดกะพ่คนในหมู่บ้านวัด่กเย็ดเป็นนัคูยูวัดศึวัดหลวจัยมขันรรเ ก็ส yeah. ิ่งเินตรงนะวัดนึเงนีอนหนึ่งไปตาสองไปโยมไม่สัมพันธ์กันอันี้ก็เมือนถูกตองกันนิสิตการงานเกิดจะไม่วัดว่าอารามถ้าใพิสูจนเตรียมทุกวัดถ้าให้ถูกจะเรื่นดีจะเร่นร้ายเิึ้นว่านึคูอยู่วัดสองคูอยู่นอกวัดคู่แปลก การง่ามมันเกิดขึนมากเี้วแกว่าแต่ถ้าวัดว่าของมันสะดวกวัดเท่าหนึ่อสี่สี่ว่าไรตั้งแตอมันมีจิตนิจการนิการนิ่งง่ามเกิดขึ้นมากเท่าจะต้องที่สมารถคิดคอยกันรักษาไอ้ที่วัตถุทั้งหลายถึมันเกิดขึ้นไม่สุ่ม ลอยกันข้ามในการลอยกันถ้ามในบ้านการงานจ้างกันนู่นก่อทางานนั่นไ่ได้เจยาไปทางานนั่นนันก็บม่ได้มันสมบูรณ์ดีแต่เขาเห็นั้นได้เขาจัดเหตุงานนั้นหน้าที่ของของครูบาอาจารย์ดูแากันดูแลกันหาคนหนึางมาชนะในการกระท่อมันนั่นกระท่ามมันก็บ่า ชีคนิพพานกันที่ที่หัวมานจะมันสีเลือดบัวร้าย่ได้จั๊จอกสารกระท้อจริงตายแล้วสารกระท้อคนหนึ่งมันสารกระท้อว่าเป็นไปจั๊กในไทยแตจั๊กเป็นนี่จะท้องเลือดดำเลือดแดงเอาไปเขียนหนังสือจักเปนไม่เป็นจัดอ การเขาูเากมันเป็นังไเนาะอีหมันเป็นังไเนาะรับอูใส่ของดุอ่อทกับพวกของดุแบบมันจะเดรืเ่าการงานทกจริตยางจิตเป็นชนวัดหนึ่งมันคือมสมานเปรเาะขมสารางานแบบที่กันนี่สมัยมจะมาอยู่อยู่วัดตะโพงือวัดตะโพงพราะันก่อนนี่นอยู่ ขโมยในข้างครอบคลุมข้างหนึ่ตรนี้ข้างมันี้แตเป็นเอด้องในปเที้แม่คุดยินข้างหม่เป็นใจใครจะเรียนบานคนบ้านดินบ้านนี้ที่บ้านคนนีีความอู่ยังนนนี้เป็นข้อดาของมันบางคนกับวกใคสบายใจ สามารถเอาเอาสามารถคิดย <people>, ังงเนี่ยบนมาลิผมมาเห็ดมันตอนนั้นก็ตกใจว่เฮ้ยสมุนไพรอะเรนี่ยที่เนเรื่องนั้นน้อยเยอเจาะแขนนั่งชือว่าเสียนด้วยจะให้เขาเห็จังไรใหเราจะคิดด้วยว่เสียนอย่างไหเอามาใช้จังไรเดี๋ยวก็ไปซักตอกคนที่ไปชุดยินคนที่จ้อยกันยกข้ามเขาไปหันไปหนึ่งคนที่ นั่นเป็นสีเดงของมันเมื่อเข้าใจสิดังเร็่ดเริดงันมาแต่พัดกันกันี่แั่ก็เนี้เที่เป็นเตียงหัวเฮเตียงเช็ดมาได้เหรอเบาไปจนแกบเพิ่มเล็กน้อยอยู่วเท้าจะเสี่ยงเจ้าขี้จะบุหี่ไปถึงแม้ว่าอัญชล่าจะหันแม่ได้ข่ากน้ำาน่สังสมูก็ได้สังพัดก็ะได้บดีกาก็ได้อันชลาว่าบบสําคัญ มาด้วยมันนสงูนเบคนยืนในดราในเบิคนยนประรัดในบิกลไร้มันเบยห่เช่นกาแ่งทุกยี่เป็นจะเอาขันนหนึ่งข้ามูอนหนึ่เลย้กรเคลื่อนรัชในเงนเป็นขันเป็นโ่นหนาขนหนึ่ง้เปลียนคุประรัตที่สั้างอาเื่อหายนาสราเห็นอาดามาเบึงเอาไปกระานข้าง้นส่ยึดตั้งอย่างนี่รู้จักในยี่เป็นจะต้องนยี่คุยักกันาจะหายสิแต่ก็บกค่เรว่ากัน จะร่เขายปเพราะว่าการเนี่ยในว่ดต่อยกันกันบางคนจะมาคิดแบบนี้มันจะเร่อันนี้จะเข้าไปอยู่แตนมาดคนนี้เป็นสมุนุนเปนพรดขเไม่ดีกาขุนศรีนะขันนวมันเดือดของไม่ดีกากับไม่ดีกากับเมันมันเดือดพราดกัพราดกับเต้มันมันเดือดสมุนกับเต้วัน้าจะิดขาอมาในบนางยุทธ์คนไม่ดีกากับพราดมันมวนกันจริงบริเตนไว อันจี่สี่มันการงานแน่นแ่่โบต่เกินประรลัดบต่เกินใบดกาโบต่เกินเ่ามูด้วยว่าไอ้คนี้อืมคันเรื่องบันเงีคือทั้งเต้เตตอยู่ค่อยง่ายอันที่ทั้งข้างให่กินขมอแล้วเน่าไปทุ่นแจ้งกรอขนคนเดิมเนเน่าก็ขึ้น่ยแต่ที่ทังข้างข้างงานนาสวก็อยได้ยินแบบแต่ที่ทังข้างเลือกงานจบเอาเาีใส่สีน้ำชาได้บเอาไปเที่ยว่ก็อมืออานวดเน มันจิตใจเพราอนอยู่จะหันมือบบนั้นก็จงั้น่จ้าล่ะยืนัเกตนอาูะมากยจะเป็นสังเกตการณ์อย่งว่ามันเราถือที่มันเจ้ามากยได้นีลมันจ้าบอกคาเรอจะมากใส่ความมูโด่มากินคึกมาล่างรวยนิดจตีนะะมากจะเป็นแบบที่จงหวะมันเถื่อนถอี่ใ่เ่เาืออเลยื มีรายี้เราจะไม่ใช่นีีเแต่ใช่เรนี้รันเลยเรอย่างบ้านเน่าก็เชือกันไม่ออก่อโ้ันจะดีทันเห็ุเงสี่มันจะเ่องยตันเหอยกันท่อประการที่สองเขาหายมาเนี่ยใส่เร้าใส่ร่อใส่ของกนนหมากมาเป็นถ้าพนเกี่ยวมันเสื่อมมันเสื่อม เช่นไม่ออกเข้าทุกคนเอาของมาอตอน้อึ่งหนึบน่อยอัจฉิยะสายโอาจารย์กันน้อยเอาเขาหนีมาไหมไมายดอัจฉริยะด้วเงี้ยก็อกมีแ่ใจกินบ่ายบ่ายมันไม่ออกเด็กเถี่ยด็กเพื่อนสวมากโอ้ยจนมิดขประสงค์กูนาะเด็กเถี่ยนห้านาวไปจากเรามีเดียกวัดชัดท่าไท่มันเสื่อมัดท่าไท่ทั้งหลายนี่ย มันเสี่ยมเขาเขาโบเตียมีเพื่อนของในรงมั่วห้อมไปซีกันคนผูน้นระเจ้าเก็บมะหอมะหอยมะหอยมะหอยับอีเก็บไปต่อไม่ออกประินหยาดกันมานึ่งเชียงกั้ามาเห็นหน่งใส่เจ้าเหนามากเจไปด้วยเจ้าเข้ามาเห็นกันเขาพูดแต่ก็เนี่ยมึงยังไจะไม่หงดหงเดียวใหญได้เป็นขั้วเดินหน ออ่เ so ่ยนเปลีเดี๋ยวอะไครออืมอืมที่เปลีนเปลี่ยตัวนี่อะมก็ว่อืมงั้นแต่ความเปลี่ยนบบงนเบ่นปลี่ยนอืมงนเบียนของมันเลยวนเ็น่ยดลาบากเปี่ยนอันนี้มันหนักจ็บเียน่มันเด่นง่ายเด่นโตย่งแบบนั้นจับหมดเส็อ่าหากว่าเข้าจังใจเอาบุญเอาศีลเอาภาพมากนี่เฮ้ยครับทีหน่อมันดีอืม อย่างมันควคุมของจเจ้าของควบคุมเจ้าของเนี่ยมันเป็นเรียงหนักอยู่เยอะเลยเรียงควบในบางทีอ่าเกบใจเข้าหน้าตจริญเข้ามาเบื้งเข้าหูจับเข้าหูจับบางทีเอาหน้าที่จะไป้นี่เราคว่ำโลคว่ำขวดคว่ำลวงมาเสียก้นมาอาจจน้ากกันี่มัน เบี้ยงเก็บงินเก็บท่องเจกอนเขาเด็่จงกรรมานเนี่ยเก็บเก็บเ่าไคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาก็จะพัฒนาเทันต่อันเขาเด้อหอยเป็นเงินใส่ถึงขั้นคยบันเนี่ยใส่ถึงข้นงยันเนยอาหารเป็เจ็บบุบบุมากเทวที่จะเสียจค่ไม่ันคิดมันสื่เด็ดไล่ํามาแล้วนเนี่ยเขาเสียขวเป็นยืนในเมืองวรดดิ่งก็จะอาหอยข้าหนียวหวานจะเป็นขหนียข่อยเหนียะข้หนยว่ว แต่พิชชาอยางวัดพขาจะขนนางสีจะจางบนจิตใจมันเสียไปอีย่อันนี้ก็าเสยมดมันตะบุนมานี่อันนี้เป็ น, น, น, น, นเหตุนี่มันเทียมเลยแตมันือียมันเสียไปมันรืบนข้นหได้แต่เขาต้องเขียนนา ง, ง, ง, งสีต้องแสดงต้องแสดงสิงความบริสุทธิ์ทุกอย่างแั่พัะคาใครมันเรียม อันนี้ขึ้นเหยดขึ้นเหยยอันนี้อันนี้ขึ้นเหยดใไ่ึาเาส่ไหล่ให้เข้ากันเอาบุญให้เข้ากันนี่ก็คัดกดีย่สานงานเลยใสตลอดได้ทุกเดีอันนี้ก็เหตุผอันนขึ้นเหยียดเนี่นนี้ใหเตรียมขึนเหยียดน่เขาเกเสก่นาที่กันมีวนยิสบายเสื้หน้าน่าัวตัด ถ้าใจดีคงีงระหน้ากามีบังินงเนวเงนัั้องอันขายกนมานิหนูผีหนูดีเ้ก้อนจ้หนูผีบาดี้หนูนึ่งใส่เจ้าหนูดีเขาเด่หนูผีหนูดีหนูสงหนูนึ่ ในขึ้นกรรมการดึงเงิน um, ดึง uh, ก uh, so, Te ้อนจเอาต้องประดัตึกงพอทนัหน้าดึงมีเรื่องกันบ้างแกว่ากรรมการยอกันบั่นกอ็นี้บัตัง็นี้บั่นเตมันจะมาเรียกไง้ยุดขันันมือถือว่เป็นประกามาจ้ามาที้กันบ้างเหมีนนี่กานีงามาเรียกมากระการใส่ต่างใส่ไไหวเพามันมีใจดีมั่งจำน สมเด็จม่ปุ๊บก็สม่าสมเด็ก็สมบมามาสมบวาจ้างไว้แ้มิข่นสมักก็มาขี่กันมายืดหนกันนี่เจ้างกรรมการบรเวมื่อไ่จะเกิดนี่ถ้าเกกสบานี่มันี่อย่งหมือันบางคนง่ายคนดีเล่น่นเฉือนมากแตีเนคนเฉื่อยมากแต่เล่นดีเก่าข้างไหนพ้าอาบเวณเอามันเอาบริเวอามันดี้มันผิดตงเพอะไรก็ิดทุกคนหมือนามาเ็เดือ นนกง็งอ่มจะดีขึ้นอืมอืมเจ้าพูทธวารีสามทีนี้ก็งอสาาสบายแต่ไอ้กองบัดต้องมโค้งด้วกันเ๋ยามันจะคันจะเรื่อนอันนี้องขั่วลงจังแต่ยู่งทานเหงาด้วกันเขามีสะข้ า, ามาเตะใส่ใส่เอาของมาเตียแบบมไปข้าวสำน้ า, ลนานนเลยง่ายไม่ได้เงยเงยเสียบแบบ พวกายห้าไปกิ้มเนื้อังขมันกับ่ดีมันไ่ดีอันนี้มันอาศัยความโลภไปนู่โอ๊บ่อดท่านบ่อดคุณนึงเฮดกับุหนึงเฮดเดือเดือดเป็นเีอมลง่เนี่ะสักกันเทียมไม่เงี้ยมันขิดอย่าบสมครับว่าเฮานางใช้มาขีดบ่ใช้ก็อาหังจุดันจ่าคำมันจ่าจันกันจ่าแรงกัตาง มันบถไฟแน่ยหรือมันจากป็นจะเป็นจหรือมันรถไฟมันเป็นยังไงเฮ้ยเรามาดูนะมันดีอันนี้เ็มันดีอันนติสองอันนี้ย่งนี้จะดีนี้จะดีตามันไดที่ห้าเห็ดไปเละมันขมวายบนมันนันมันขบายคิดไอ้คนเี่สูบบุหรีนคิดคนี่นั่งบุมรี่เนี่ยน้าที่ห้ยแต่กางวันจะห้าม่วงคว่ บ่บเอเยนโตเบือดเนถึงัคือหายไปแ่สงัมคหายเลยหาก็ดีใจอยู่หามันมนสิงึนกันเนี่ยบงสิ้นเกี่ยบหนีเกี่ยวกัาะหวังประโยชน์ตนถ้าก็อยู่ประชาเชนตัวไปกรรมอันไหนสี่ห้าเด็ดเดเนี่ยม่งเบ่งเนยไปนอนน่ยยบม่หลังเนมาเบ่งน่ยสบายใจนวนิองนีันเน้นจะคล้องอะไรเดือ มสายมันกมเก่ามันอันนั้นอะไนี่เงนยังคุณเวลาใจคุณอยู่นู่เวจะเข้ามาละใจขอจักอโมวยูะเคื่อนอีโสมวยโมจักที่วลาของคุนโมจักคนนี้นาสบายแต่หาสิ่ของมาที่ตป็นอจิตไม่สบายอยู่อันละอย่างเช่ันนีเขาจักตัวอยู่อัน่นทั้งที่นีโมจักสบาย่งเด้ออืเ การมอยรักใจการหนีก็เด wow. so, uh, so, um, right? so, um, ีว่ามันสบายด้วยก็เดียวบอดมันคิดนะคุณอยู่บรอดมันมีเดี่ยงมั้งมันสบายควมสบายเหมือนี่มันถูก้องห้างที่สมควเหมือเดียวดอนคิดนี่ความคิดในใจอยู่ขอั่นเนี้ยมันน่าหลบกนาลบเดียมันจบเดี๋ยวมันจกน่าหลกเนี่ยฮะเนี่ยจกเลยมันเนี่ยเอาห้ามพักการตีหน้ากอนเรื่องควบเร่งควมจะเด้ในวัดอารามเ่ป็นหลัก ยังอัตมาเนี่เป็นผู้ปรกองินที่บอกฟังแล้วก้องีฬาอย่้เมี่ยเนี่ยอยากให้ผมขายสินขายของมัเนี่เอามากรองอย่านี้ขนาดอตมากวดเงไปมาี่เอาดูนี่มนแก่ลงมาโดยตัวเองเนี่ยบ่ยากอัตมาสิ่งแต่กวบ่เคยมีอยงแบบทีมีกะดับอย่งหน่นถึงเนีขนาดปาหนีแล้ว นี <sk r isa> ่คือครบดฉันอาเซมาแต่จะต้องจะต้องดูนั่นแหละเนี่ยนีนั่งกันเสียบนังกันโเสียบนัองกันยืนนัองกันโมยืนนัองกันสบายใจอื่ันฉันนี่อาเมาแต่สัตนี่ี๋รกันอย่เนาะขันคนเดียวมันเล้ของดีนี่เนาะอี่นี่ไข่ใส่ต้องพอไข่ใจ่ต้องพอแล้วว่าเนี่ยต้องพอจะเป็นตี๋โมเล่นอี่นั่นก็ฮีอาเม่าแต่ระวังระวังระวังตัวเา็กนั่งโมนั่งตุ้ ว่าหลายปฏิบัติเจ้าของอย่นีว่างสิงต่โบ้เจแ้มันบยางเบอก็บอกบบบานนี้อย่าดสบายใหบ้างสบายใจญ่น่าเิดม่ได้เ็นบุญเป็นริมันจะน้อยแตสบายมันจะน้อยสบายว่าดีอยนี้รับอยากการโยมตัวคนที่กันที่ซั่งนั้นน่จะเอาขึ้นบมดของนใจ้องเอา เข็นเปออกข็นผอกรู้ได้มากเขียนได <c oughs> ้มากจนขัจ right. so so ังกันคนนั้นพขาได้กินได้ก็าได้เังความเยาสารเยขาสามันกิได้สมันโมหจัมันบริหนึ่งมันหนามันบอดเขาพยายามบอกพยายามมาพยายามสอนมอหันจาขี้เขาโจกัสเขาอนนะฮะอยู่กลยยางมันบาาย่างมันขีการปฏิบัติงนรับจ้างแต่เป็นงาน จเรมากตั้งเกล่อนป็นตั้งหูหนูื่อใจห่ไม่จิตขากันตั้งอะไรตัวเนี้ตังเกว่าจะเกลืเล่าว่จะเกลือให้ว่จะเกิดพลังยุ่งนี่เป็นเมตตนั่นเป็นเมตตาหาเราคิดแค่เมียดีมันจะมีไหลก็คิดแค่เมียไหมันจด้นี่เป็นห้ภาวนา คนบวชา็หน้าเย็นยังมโหเดียบโมโหจะขี่จะโนเป็นสมาธนะนั้นบ้านมุงไหวห้าสังฆกรรมที่จะหน้าเรื่องที่บอกว่าคนเยอะใสบากว่าคนเยอะใสอยู่พราคนกันใสเพราะคนกันใสเพรคนใสในท่องคิดมนันเป็นเพียงร่วมจะสิงใดม่แบ่งไมนเป็นจะให้มันผ่านเราจะลองค้นจิตใจ ที่พอนุพอนุสิทธิ์นุสิทธิ์ก็คิอได้นันแหงาก็ดได้พอนุสิทสบายไมได้ง่ยก็เป็นยง่ายง่้องผแตายด้สบาย่ไปฝาเงินไปากทองยืมเขาที่ซื้อฉัจะ้เงินกับวัตถุเพื่อก็บเงินเก็ของในรักเป็นยา จังหะนตกโซส้มเส้้ายกหวัดตรงตัวส้งอยู่สีมนในคนดีจะสีหน้าการเวกันมันแตบอดีมาหลายเลัน่าเป็นอรรได้เป็นอรงงานขันพอได้บดีสิเกนจะได้อันตรายอื่นอายเกี่ยวใ้าันตรานจงอย่างมันพขเศ้าเลย้าก่อนบอกกระโดดเนี่ยุกสามกปรเดีบอกโ หมดเรื่องอาวุธเลยหมดเคร่องั่นพวกนี้แต่กันี่สัอจะเนี่ยเปน่านนั้นมันหยุิดสงสารการ่อยให้คิดแตได้หลายแต่แม่หยดิดยางนี้นยืน้องกาบอกคนคิดคนผืดแต่มันดีแต่อัมรุนเดชผู้นันิดแต่่าบอกแค่เพื่อให้เห็นแต่นาว่าเนี่ว้าวมันม่ดีหอกท่อาศยแต่ไม่ได้่เนีิดก็่บอกกัน ย้ายอยู่ห่างก็บอกกันกัดหัวเอาตายเจอว่าคน้าคนไ่มันโมเมียนมดมันเมยนหมดเลยไอ้มันคิดจะใคบอกกูย้ายห่างที่กันอาจจะไม่โฆษณาต่อเนี่อมันคิดจะบาเนี่ยที่เอาไปที่กระดาอาจารย์เปนคิดกระดาษเ็นคิดครับเป็นอาจารย์ก็ไดาพอเลยข้หมืน้ำดูกระดาษดูเลยข้หมวน้ำพอก็ได้ คุณหมอเนแบบตรการดีนะการไปการหอมเข้าหอมเข่าคิปเ่อไรคิปจะออกตรงไหนซื้อไปถึงเมื่อไรมันห้ามมันถึงงูได้ไหมเชื่อมันก็บเชื่อมการจะง่ายก็จะคลอกก็ออกมันออกจะออกตรงไหนนั่คลิปเ่อไรจะห้ามเมื่อไหร่กันซื้อซือว่าก็จะออกตรงไหนนี้ซื้อละเดี๋ยวเรื่องเขาต้องมันจก นี่เหตนผลมันโดมนะตอนนี้เขาไงเลยนะเอ้านีอันนี้วัดที่มันมันมันจันปัญญาเนี่ด้วยหตมันโดมลงมันโดกลงมันไม่รู้ออกจะตกพ่าปต่อยอ่ะตีห้าสุดเท่าสีห้าเนี่ยอยู่เพื่อนนั่นนิดน้อยนิดน้อยเพื่นอาจารย์ไอ้ข้อดีเป็นไงข้อตกร่องเป็นไงเนี่ยแต่เมื่อสร้างสุดเท่าเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ต่างหรอกอือ เป็นที่มาวัน้ั่ไก็มเอาเยแล้วอันนี้ก็ขุ่นโตกูโตกูไูติกกูโตกาโลงแต่ชาวเน็กระยตัเห็นัอย่้นหน้ามันจะเห็นนั่นเป็นห่ like. มันมลงไหลายี่ยเป็นสิ่งอันนี้คือกมันข้อมันหลงทุกอย่างเ่ะมันดื้มันหลงอย่างว่าเมื่อห้าปีกูเต่ากูเจอหนึ่งขนาดไปอพิษพิษห่ตเกจะฟังอ เม่อกีเนี่ยไปควบสายกาเรีนให้เขาเบี now, mai, ่ยวกากชิโก้ันได้มึงเบี่ยวับชก้ให้ยังเงยเงยเลยก็ได้เม่อเพา่ายเลยเพราะเดียวเม่อเราว่าตั้งมือเตะสายตารข้างบนหนักพเขาเบี่ยวกับยันตัวก็ขี้ละี้ได้เสียงกันยังเง่งเง่เี้ยมึงไม่ใช่เมื่อกี้เอนดูที่เงี้ยเสียงนำโดยพิเศษก็อะไรนี่หนั่นบักนั่งบุญไหวทั่วตัวคุณที่เพื่อจะทำหะไรไหนที่ของเราว่างเหดผมมันพิจาาไม่จัากสาย็นะกเงินคุณไอ บ่เอื่นบางไส้ดีหน่สียดีหน่อยไส้บางอยู่บุเบี้ยฟางห้าสัตว์งนี้สัตว์หนึ่งห้าสัตว์ตั้งสัตว์ที่จระจ่้นผู้อื่นห่ายห้าสนี่สัต้องใหเรื่องทีงจระจ่ามันจะหาสศึกษาอยู่ข้ามดูศกษาคิดไม่ไม่ไปจำบ้านของจต่ของนี่เป็นสุ้ายนี่คือวีสัยทัศนาจะมันหิันจะคิดมจะคิดมันจะิดมันะคิดมันจตัว เมฆคุดม <necessary. S 2> so uh, mm ันจะไม่เมานี so trees, brethren, ่อย so uh ่นเศร้าพูดถึงเรื่องนี้มันจะเศรานี่เรื่องนี้เหมือนมันจะดีมากแตเรื่อเรื่้แหละมันจะดีมากแตเรื่งงไสร้างโครงการไหนที่จะจัวันของเจ้าของแก้ปัญหาให้มันจบัห้มันสิมันเมานเมาเมานี่นึนเศ้ามาแก่ดูแตให้เหล่ามันแกเมา งั้โอ้ย่งกันอค่อนใ่เนี้ยมันยืนอค่อนต่ำงันีแบ้างมันี่ข้อคิดข้อมันคิดแต่สั่กระรากันนะม้อแย่มันซ่าเห็นปะเมื่อนี่สีคลอนเขาเนี้ยมันยืนนี่มันต่ำเนี้เอาแย่บนเต่าบนนันมันจีบอ่ตรน้นี่เเจียดกัญหาข้องูพิจิตนี้มันจูนเข้าไปโดยั่ให้สิ่งสิาดของกัญหาว้ใกล้ก็เสียอ้าวพักกาพินิจอ้าวพกันชี้จุหน้าเรื่ยวมัน ให้มันเกิดประโยชน์นั่คเยังไงมันเกิดประโยชน์จะต้องคิดไปถึงกว้างรักพุทธศาาเป็นหาสอนกังสีสอนให้มันหมดปัญหาปัญหาเกิดขึ้นมากแก้แก้จะท้องให้มันได้บุญไหว้ขึ้นมากแก้จะ้องให้มันขึ้นขันแก้จะท้าเห็นพาะวนากข้ามาทานที่วนาเบสเหนื่อยคื้สุดตายเหนืออยคือตาย อย่น no ่ะเอาเส้นสายมาผาดในหัวค่ยนอยหน่อยางลยไ่เบี่ยงทางไม่จ้าก่อนเลยตายอหน่อยไหมมือามันมือที่สมุนไพรั่นก็แล้วมือจะมาเต้นโตไม่นมูทจ้าอย่างนี้ส่องสอบสวนของที่จะหน้าที่มีชิ้นหน้าเรื่องทั้งเด็กสองตีดเรื่อยให้มันดีใจให้มันสบายให้มันเบิกบานแต่จะยากมือต่อมากให้มันเดิกบานถ้าแก้ข้อคิดเราใจใจมันบานเลยหละใจมันบาน เง uh, oh I mean ี้ยน uh like ี um, ่ก็หาย่าปวดเฮื่อยสะบานโอ้ยเจอมั่อปกดปวดเมื่อนนาะว่าจะตื่นตื่นแว่าัวจะงอนนี่คายก็ตาแตบหุ่นบมเวงวดันจะโมเวงเมื่อนเป็นซ่านเด็กเกิดมาจะบเดดคอดห่นเป็นไงเลยมันเป็นกัญยัยไงก็จ้างจังห้าที่จะได้หน้าตั้งหน่อยตั้งเลยนั่นเป็นธรรมะรักรรมะมันว่าห้าเหตจรักธรรมะเนี่ยสมัยคอนมันสวเนคนั้นเป็นมนุษย์กระตุกนิดนึง มันในสมัยก็เป็นสุกมนุษส์พิลษานก็เป็นมนุษย์นก็เป็นเ็นมึงกัมรือญาณทุ่นกันมึงนี่คือุ่นอันนี้อริยทุ่นอันนึงมันไหนท่านนายกาวที่อันไหนที่ถ้าว่านุจรัมหลายจะแก่ไ่ได้เามยให้ให้คนให้อยุดสิจารณาข่าวพวกนี้ท่านมาดูเหื้ยมแ่คุณเนี่ยมีวันกต่คุณวันมีวันแต่คุณวันให้คนคนจากทุเอย่างโดยทุกเรา มันเป็นการแส้มบันมุญไหวบันเน่นังบ่อนบันบอ่นแส้มแลวมันขีโโตมันสี้หลับขู่ขนแต่แท้ต้นไม่ตางท่ามยุนจะเจะไปได้จิงได้ตายหดใจหดหน้าไปมากก็คคิดอย่มงนี้ก็หน้าูู้ใจหน้าที่จะไปแม่ถ้าวันนี้เนี่ยินเนยท่านเป็นดอยเป็นท่านเป็นเงินเป็นเงตาบอ จะแน่ใจว่ามันมีทำจริงๆมันกทไหร่นักสามัคคีเข้หงายหน้าเพราันถูกจอกแล้วเป็นผุกีขมเป็นผูบริสุทธิ์เรื่องบริสุทธิ์แต่จะไปจะเป็นมันคิดอะไรคิดจะเป็นมันมันคิดอย่างนันไม่ดีเลยนเคิดแต่เรื่สบายเรื่องบิสทมันจะไม่สบายหน้าเนี่ยเรื่องมันสบายเพราะโต๊นรกเ่องที่บเาตายแต่ต๊นรกเรื่องตายแต่เด็กแต่โต๊ะนร่ามันคิดใจฟังแต่ฟัองนี้ มันเกิดต้องเลือกตัดยึดสองขั้นเกิดยึดสองเจตของเหมือนเหมือนคิดเหมือนคืบาเหมนบุญเหมือเป็นมันเงินมืนเนเมือนนอนนี่อเงิมันเป็นไสใหญ่มันเดือดร้นเพราะนั่นก็จะดีเหรจดีใช่ไหมมีเพื่ออาหารขั้นยึดเจ้ขั้เจตของแกในปัจจุบันยาวข้อมือยาวข้อมือยาวข้อมือยาวข้อมือใส่ในใจของเจตของ เหนใจนะว่ามันเกิเท็จจริงขึ้นนะเกิดจากคามิดนิยมดอกนึงมันจะมาเป็นเกิดงะไรเดืยนปฏิบัติท่านมาเดืยดจังกันหาง่ายไหมที่เดืปฏิบัติเดือดห้าหาเกิดขาดไม่ในขาดนึงหาเกิดขาดไม่ในขาดนึงขาดนึงเขาเกิดมาเจโน่บ่งใ้เดือพอมืมัรีเจงจับ่าดทสองใช่ไหม คามเมตตาเมตเป็นคู่เป็นแจานเป็นทุกงข้าจานของพระเองบานใช้ใการทำหน้าหาชืนใจไปวนวุ่นเลนะมึงดีฮะขาดจั๊กจั๊กที่ยู่ได้เฮ้ยใจระเบิดเจ้หาสิบมันเอาละจ๊ะ